ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงทานในสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการให้ทานซึ่งมีผลเจ็ดระดับด้วยกันมีข้อความในตอนต้นว่าเมื่อรู้มีพระภาคจ้าประทับอยู่ที่เมืองจำปาพวกพราหมณ์เครือบดีและชาวบ้านทั้งหลาย ได้มาเพื่อจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงแสดงธรรมให้ฟังแต่พอดีก็ไม่ได้พบพบแต่ภาษาลิบุตรภาษาริบุตรเทระก็นัดหมายให้คนเหล่านั้นมาในวันธรรมสวรนณะจวันปักว่าเขาจะได้ฟังธรรมในสํานักของพระพุทธเจ้าเมื่อถึงวันปักคนเหล่านั้นก็มาพักพร้อมกันก็มาหาระสาริบุตร ภาษาลิบบึกก็นำไปฟ้าพระพุทธเจ้ า, เ, าเสร็จแล้วท่านก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชาวบ้านเพราะปัญหาที่ชาวบ้านเขาสงสัยนั้นเขามาถามพระเถระไว้แล้วแล้วกราบเรียนถามพระพุทธเจ้าว่าคนที่ให้ทานนั้นมีผลแตกต่างกันอย่างไรบ้างคือมีผลแตกต่างกันหรือไม่ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ส่งส ด, ดงถึงลักษณะการให้ทานของบุคคลทั้งหลายในโลกนี้ไว้เป็นเจระดับด้วยกันซึ่งแต่ระดับนั้นก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของบุคคลที่เป็นเหตุให้เขาให้ทาน เ, าเจตนาที่แตกต่างกันนั่นเองก็ทําให้ผลอานิสง์แตกต่างกันแต่ผลอานิสง์ในคราวนี้ชาวบ้านเขาไม่ได้ถามผลในปัจจุบัน ถระถามผลในอนาคตคือในชาติหน้าพระเจ้าก็ทรงแสดงเฉพาะในส่วนของชาติหน้าอระานกลุ่มแรกก็คือว่าคนที่ให้ทานด้วยความมุ่งหมายความตั้งใจความปรารถนาว่าหลังจากเราตายไปแล้วจะได้รับบริโภคใช้สอยสิ่งเหล่านี้การให้ทานในลักษณะนี้ก็มีผลก่อให้เกิดใน สวรรค์ชันจาตุมาราชแต่เมื่อหมดฤทธิ์หมดบุญหมดอำนาจในที่นั้นแล้วก็จะหดกลับมาสู่โลกได้อีกประเภทที่สองนั้นก็ไม่ได้ให้โดยแนวเดิมแต่ก็มีความคิดว่าการให้ทานก็ดีเหมือนกันและในที่สุดก็ให้คนที่ให้ทานในลักษณะนี้ผลอานิสง์ในชาติหน้าก็จะไปบังเกิดในสวรรค์ชัน ดาวดึงบุคคลประเภทที่สามก็ไม่ได้คิดอย่างสองกลุ่มแรกแต่ก็มีความคิดว่าทานนี้เป็นปร่งเป็นหลักปฏิบัติที่พ่อแม่ปุญญาตายายของเราในรักษาสืบต่อกันมาก็ควรจะรักษาสืบต่อกันไปแล้วก็ให้ทานการให้ทานในลักษณะนี้ทำให้ผู้ให้หลังจากตายไปแล้วบังเกิดในสวรรค์ชั้นชั้นยาม บุคคลประเภทที่สี่ให้ทานโดยเห็นว่าเป็นยันตามสกุลคือสืบเชื้อสายไปตอนต้นก็เห็นว่าเป็นประเพณีนิยมที่ถือประพุทธปฏิบัติกันมาแต่โบราณก็พร้อมที่จะให้ทานกับเขาและในสุดก็ให้ทานทาให้ผู้ให้ในลักษณะนี้บังเกิดในสวรรค์ชัน้นดุสิบุคคลประเภทที่สี่ที่ห้าที่ห้านั้น ให้ทานด้วยความคิดว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลายนั้นไม่ได้ประกอบอาชีพไม่ได้หุงต้มกินเราซึ่งหุ ง, ห ง, หงต้มกินนั้นก็ควรจะสงเคราะห์นุเคราะห์แก่สมณพราหมณ์เหล่านั้นแต่ว่าไม่สงเคราะห์ไม่นุเคราะห์ก็ไม่เป็นการสมควรแล้วก็ให้ทานท่านที่ให้ทานในลักษณะนี้ตายไปแล้วก็จะบังเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมานะดีบุคคลประเภทที่ห ให้ทานด้วยความเห็นว่าการให้ทานนี้เป็นเรื่องที่มหาบัณฑิตทั้งหลายในอดีตผู้ฤๅษีทั้งหลายในอดีตได้เคยประพฤติปฏิบัติกันมาเป็นความดีความงามแล้วก็ผสมผสานกับความคิดที่ว่าท่านเหล่านั้นไม่ได้หุงต้มกินเราก็ควรจะรักษาวงของบัณฑิตเอาไว้แล้วก็ให้ทานทาให้ผู้ให้ได้บังเกิดในสวรรค์ชาญประนิมมิตรวัตัตดี สำหรับบุคคลที่มองเห็นอานิสงของการขจัดกิเลสให้เจือจางบางบางลงไปจากจิตใจแล้วก็จัดมนทินคือความสนิทใจออกไปแล้วก็ให้ทานดยเห็นว่าการให้ทานนี้มีส่วนในการพัฒนาจิตใจของตนให้สูงขึ้นมีความสงบ็นความประนีตขึ้นแล้วก็ให้ทานคนให้ทานประเภทนี้หลังจากตายไปแล้วก็จะบังเกิดในพรหมโลกแต่ทุกจุดที่ทรงแสดงคือตั้งแต่ กลุ่มที่หนึ่งจนถึงกลุ่มที่เจ็ดเมื่อหมดบุญหมดฤทธิ์หมดวาสนาที่จะอยู่ในสวรรค์ในพรหมโลกชั้นนั้นแล้วก็ต้องขวนกลับมาสู่โลกนี้อีกในที่สุดชาวบ้านจำปาก็พราะชาวเมืองจำปาก็พรอยชื่นชมชื่นชมยินดีในธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า พระธรรมเทศนาฐานสูตรนี้ทว่าตามสูตรที่เคยกล่าวมาในตอนต้นก็เป็นพระสูตรที่เกิดขึ้นเหนืออำนาจคาถามจะมีคนมาถามแต่การถามนั้นก็ขึ้นอยู่กับเขาถามในแนวไหนก็จะตอบเฉพาะที่เขาถามในกรณีที่ตอบมากคือบางครั้งบางคราวคําถามมันหลวมๆ เ, เช่นว่าถามทางเสื่อมอย่างเงี้ยือเสื่อมเนี่ยมันแย่เพราะฉนั้นพระทธเจา้าก็แสดงทางเสื่อมจะสมบูรณ์เลย เราก็ถามว่าอะไรเป็นมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในมงคลมีเยะเราก็ตอบตอบมงคลไปถึงสามสิบแปประการแต่ในกรณีนี้ก็ถามว่าชีวิตหลังตายเท่านั้นเองถามเฉพาะชีวิตหลังตายก็ตอบเฉพาะชีวิตหลังตายซึ่งก็หมายความว่าผลทานที่เป็นทิฏฐธรรมเวทไยกรรมคือให้ผลกันในปัจจุบันก็เป็นเรื่องระดับหนึ่งที่ผู้ให้จะสัมผัสได้โดยตัวเอง แต่เมื่อก็ถามมาเฉพาะในภายภาคหน้าคือชีวิตหลังตายก็สรงแสดงเฉพาะชีวิตหลังตายในกอนี้ท่านจจเห็นว่ามันก็เข้าสูตรเดิมที่ทรงแสดงว่าธรรมะนั้นเป็นเครื่องขัดเกลาคุณภาพของจิตมีความเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นเท่าไหร่นั้นคือผลอนิสงของการกระทำความดีจะมากขึ้นเท่านั้นจะในกรณีของการให้ทานเจระดับ ที่ทรงแสดงไว้นั้นก็ตัวเหตุที่ประรพบนะฮะตัวเหตุประรพบการให้ทานประเภทแรกเป็นการพระอาตารยาจารย์ท่านพูดว่าให้โดยความอยากคือความอยากที่มันประนีตขึ้นไปกว่านั้น เ, เช่นมีการแสดงระดับของพวกวิมานวัตถุก็ดีพวกเปรต ว, วัตถุก็ดีคือเรื่องราวของเปรตเรื่องออโดยเฉพาะเรื่องของวิมานนะฮะท่านเย็นว่าก็เน้นทานในด่าวพื้นๆเหล่านี้เพราะว่า บุญกุศลที่บุคคลทําในลักษณะนั้นจะมีความมุ่ง ม, มา่ปรารถนาก็มีความรู้สึกว่าคล้ายๆก็ส่งของลำเลียงไปใช้ไปใช้ไว้ก่อนคือส่งของไปก่อนนั่นเองตัวเองจะไปในสัมปรายภะพภายภาคหน้าโอกาสหนึ่งแล้วก็ส่งข้าวของเหล่านั้นไปจะเตรียมเอาไว้เพื่อจะได้กินได้ใช้ในภายภาคหน้าอาการให้ทานในลักษณะนี้เพอแสดงว่ายังมีความยึดมีความต้อง มีความติดมีความมุ่งหมายผลที่เกิดขึ้นจากการให้ของตนอยู่คือใจใจของตัวเองก็ยังไม่สลัดหลุดจากสิ่งเหล่านั้นก็ออยังยึดถือว่าของเราอยู่นั่นเองแต่คล้ายๆกับส่งผ่านไปมองพระคล้ายๆกับบุรุษปรษณีเพื่อจะรับของส่งไ ป, ไปเก็บไปให้ตัวเองเวลาตายไปแล้วก็จะได้ภคใช้สอยจิตใจจึงไม่สลัดจริงๆนะครับ มันก็ไปไปยุติด้วยหลักเหล่าอื่นทั้งหมดที่ทรงแสดงไว้ในที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเจตนาที่เป็นเหตุให้ทานนั้นถ้าเรายังมีความเกี่ยวข้องผูกพันเป็นห่วงเป็นยายอยู่กับสิ่งเหล่านั้นก็ทําให้อานิสงส์น้อยไปแต่ถือว่าของเราให้ไปแล้วก็ดีไปแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในชั้นนี้ไม่ใช่ว่าอานิสงส์ไม่มีอานิสงส์ก็มีหลังจากตายทรงเน่นที่หลังตายก็บังเกิด ในเทวโลกระดับแรกคือจาตุมาราชอันนี้ก็ในลักษณะทั่วๆไปนะฮะคือมองในลักษณะทั่ ว, วไปไม่ใช่ว่ามีไปมีตัวแปรอีกสักตัวหนึ่งซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่ากระบวนการของกรรมก็อย่างที่พูดไว้ในเรื่องของกรรมท่านจะให้ทานในลักษณะนี้ก็ได้แต่ว่าก่อนจะดับจิตท่านเกิดสัมมาทิฐิผุดขึ้นมาจิตใจผ่องใสก็อาจจะเกิดเกิดสูงกว่านั้นหรือว่าเกิดวิชชาทิฐิขึ้นมาก่อนดับจิตก็อาจจะ ไม่ขึ้นสวรรค์ก็ลงนรกก็ได้ก็ไม่แน่แต่จะพูดถึงอั น, นิสงตรงตัวกันอ น, นิสงตรงตัวกันก็ควรให้ทานในลักษณะนี้ก็ทรงรับรองผลในภายภาคหน้าว่าจะไปบังเกิดในจาตุมาราชสวรรค์ชั้นจารุมาราชจึงก็เป็นสวรรค์ชั้นต่ำชั้นแรกนะฮะไม่ใช่ชั้นต่ำเราก็มีต่ำกว่านั้นเยอะเอ่อ ในกรณีของคนให้ทานโดยความสํานึกนะฮะโดยความสํานึกเห็นตัวทานเองเห็นสิ่งที่ให้เห็นเจตนาเป็นเครื่องให้เพราะการให้ทานเป็นการดีซึ่งตามปกติคนก็เดินขึ้นมาบันไดที่สองนี้ได้พอสมควรเหมือนกันเห็นว่าการให้ทานเป็นการดีแล้วก็ให้ออกไปคือใจก็ยังไม่ถึงก็ผูกพันมุ่งหมายผลอะไรมากนักแต่ก็มีความรู้สึกว่าการกระทําเหล่านี้ก็ดีแล้วก็ให้ การให้ในลักษณะนี้ท่านพระตถาจารย์ท่านบอกว่าให้เพราะความกลัวซึ่งดูแล้วก็ไม่รู้จะกลัวอะไรเป็นการอาจจะเห็นว่าถ้าหากว่าไม่ทำความดีเหล่านี้จะกลัวจะถูกตาหนิติเตียนอะไรต่างๆ น, นั่นแต่ว่าความสำนึกนั้นสูงขึ้นคือความผูกพันในวัตถุที่ตนให้น้อยลงแต่วความเสียสละในวัตถุที่ตนให้ได้สูงขึ้นก็มีความสานึกว่าเป็นความดีแล้วก็ให้ลงไป อันนี้ก็ชื่อว่าเป็นการให้ที่มีผลในการขาจัดอกิเลสให้ให้ให้จางกว่าประเภทแรกประเภทแรกยังมีความยึดติดอยู่ยะประเภทที่สองก็ผ่อนคลายลงไปทําให้ผลอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการให้ช่วยให้ผู้บริจาคทานได้อุบัติบังเกิดในสวรรค์อีกชั้นหนึ่งซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่สองก็เรียกว่าสวรรค์ชั้นดาวดึง สวรรค์ชั้นนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเมืองไทยอยู่มากโดยเฉพาะวารรณคดีไทยประวัติศาสตร์ไทยตลอดถึงภูมิศาสตร์ไทยแล้วก็เมืองหลวงไทยกรุงเทพนี้เขก็ถือว่าเป็นสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยครตั้งแต่กรุงเทพแล้วกรุงเทพก็คือเทวนครนะเทวนครก็เป็นเอาชื่อเมืองสวรรค์มาตั้งชื่อเมืองตัวเองแม้แต่ประตูพระราชวังก็เป็นประตูเมืองสวรรค์ สวนต่างๆจิตดามิศกาวันอันทวันอะไรๆ ท, ทีม่มีมีอยู่ในงเทพนี่ก็เป็นชื่ อ, อบนสวรรค์ทั้งนั้นเลยแต่ก็เสียนิดหน่อยไม่ค่อยมีเทพบุตรเทพธิดาเท่าไหร่แต่นั้นเองยัมีอย่างอื่นอยู่แยะอะไรปนๆกันอยู่ปกติสวรรค์เขาก็ไม่มีพวกนี้แล้วก็มีแต่พวกเฉพาะเทพบุตรเทพธิดาเลยค่อยบุนบายพวกต่อไปก็เป็นการให้โดยความสํานึกรับผิดชอบต่อบงสกุล คืเห็นว่าพ่อแม่ของตนได้บำเพ็ญความดีเหล่านี้มาและในที่สุดก็มีความสำนึกรับผิดชอบ อ, อมันก็สองอย่างนะฮะท่านจะเห็นว่าสองอย่างคือเห็นทานด้วยมีความกระตันยูด้วยนะไอ้ผลในการขาจัดอิกิเลสมนก็มากขึ้นมากขึ้นกว่าประเภทแปลกมีความกระตัญยูต่อมารดาบิดาที่ท่านได้ทำความดีเหล่านั้นมา ตัวมารับมรดกของท่านก็ต้องรับมรดกเหล่านี้ด้วยนี่ก็อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็สํานึกเห็นคุณค่าของทานเดินก็บวกกันสองอย่างเพราะานัะ้นผลในการขาจัดกิเลสมันก็ขจัดได้สูงกว่า2ประเภทแรกการให้ทานประเภทนี้จึงก่อให้เกิดบางเกิดในสวรรค์ชั้นยามาหรือชั้นยามซึ่งก็เป็นสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นไปเออ ความสำนึกเหล่านี้จะพบว่าในบ้านในเมืองเราก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะฮะแต่บางทีก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือว่ายัางว่าลูกหลานที่พ่อแม่เป็นอุบาสกอุบาสิกาตอนที่พ่อแม่อยู่วัดก็ไม่ใช่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะก็มีความรู้สึกว่าศาสน า, าพ่อแม่ก็รับผิดชอบอยู่แล้วตัวก็อยู่นอกวัดอย่างดีก็นานๆขับรถมาส่งพ่อแม่ทักทีหนึ่ง แล้ก็ปล่อยให้ท่านรักษาพระศาสนาจนแก่ไปเลยแทนที่ตัวเองจะมาตามหลังมาวัดไว้ก่อนเรียนรู้ไว้ก่อนก็ไม่เรียนรู้หลังจะตายไปแล้วก็มารับงานเหล่านี้เพราะงั้นบางทีงานพระศาสนาจรรรรรรึง ร, รับกันเฉพาะคนแก่คือรอให้แก่ซะก่อนจึงเข้าวัดพอพอพ่อคนแม่ตายลูกลูกหลานก็มาเป็นทายาทนะฮะมันมาเป็นทายาทมารับในช่วงนี้ ดังนั้นในการไหลในแนวนี้บางทีมันก็มีปัญหาคือว่ารอจนพ่อแม่แก่แล้วจึงมารับไอตอนพ่อแม่แก่ตัวเองก็ไม่ได้หนุ่มสาวไรก็แก่ตามกันมาด้วยก็เลยเจอแต่คนแก่รักษาปาศาสนาโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนที่มาเข้าวัดฟังธรรมนั้นจะหนักไปในทางคนแก่แทนที่จะเป็นคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวซึ่งมีกำลังมีสติปัญญาดี แต่ไงก็ก็ดีอย่างหนึ่งนะฮะก็อยู่ไปตามภาษาแต่ถ้าสถานการณ์พระพุทธศาสนาปกติมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าผิดปกติไปมีปัญหาที่จะต้องศึกษาค้นคว้าประพฤติปฏิบัติแล้วก็อบรมสั่งสอนการ ก, ก็จะมีปัญหาเหมือนกันคนแก่นั้นก็ส่วนมากเป็นคนที่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็สอนธรรมะไปก็มีผลเป็น แล้วคือศรัท ธ, ธาภาษาทะนะฮะเพิ่มพูนศรัทธาภาษาทะสติปัญญาประดับสติปัญญาก็แนวนั้นเพราะว่าท่านก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่ารับทายาตคือเป็นทายาตที่ที่เริ่มรับก่อนพ่อแม่จะตายเราก็จะได้คนหนุ่มคนสาวเข้ามาช่วยพระศาสนาก็จริงช่วงยาวไปหน่อยแต่ดูแล้วมันก็เหมือนเหมือนกันนะฮะคือควายชาวบ้านก็เป็นอย่างนั้นแล้วควายพระก็เป็นอย่างนั้น จะรับงานบริหารพระศาสนาก็รอให้อายุเจ็สิก่อนแต่ยังไม่ครบ70็สิก็ถือว่าเป็นเด็กอยู่ก็ยังรับไม่ได้ก็เดินมาถือไม้เท้าสักรุ่นเลยก่อน ร, รับ ร, รับงานก็เลยถือไม้เท้าสองงานเรียบร้อยก็ยักแยยักยันทำงานกันไปก็กลายเป็นอะไรศาสนาของเป็นเป็นงานที่คนแก่ช่วยกันทําไปทั้งสองด้าน เพราะงั้นไอ้โล ก, กระทั์จึงจึงไปกันได้ก็ไม่มีความขัดแยง้งเพราะเป็นคนใบเดียวกันซึ่งเป็นด้วยก็น่าคิดเหมือนกันนะฮะว่าชั้นนี้เป็นชั้นที่น่าจะมีปัญหาชะแล้วเพราะเราไปรับที่ช่วงปลายเกินไปเออมันก็อะไรนะฮะคล้ายๆกับวิ่งผัดสี่คูรอยเมตระคือถ้าหากว่ารับในช่วงที่ควรจะรับมันก็มีเรียวแรงรพอๆกัน แล้อก็โอกาสที่จะวิ่งเข้าสู่เส้นชายได้แต่ถ้าหากว่าวิ่งกันรับการผิดช่วงผิดตอนมันก็เสียหมดเอยเสียกระบวนรหมดเล ย, เ ย, เลยเประการที่3าสี่นะฮะสีนั้นเป็นการมองเห็นเส้นทางเส้นทางของบรรพชนซึ่งในช่วงใดช่วงหนึ่งอาจจะขาดก็ได้เช่นว่ารุ่นคุณปู่ท่านทำมาแต่รุ่นคุณพ่อไม่ได้ทำหร แต่วลูกหลานนั้นมีความสั้นนึกดีคือศึกษาประวัติความเป็นมาของสกุลวงตัวเองเห็นเออสกุลเราเป็นสกุลสัมมาทิฏฐิแล้วพ่อเกิดเบี้ยวเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ปู่ท่านเป็นธรรมทิฏฐิแล้วก็แยกออกแยกได้ก็อาศัยที่ต้องการจะกะตัญญูต่อพ่อด้วยแล้วก็ทดแทนเออไม่ใช่กตัญญูต่อคุณปู่ด้วยแต่กุลวงด้วยแล้วก็ทดแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยแล้วก็ความจำนักจำนึกคุณความดีด้วยมันก็เลยเป็นสามแรงแข่งขันขึ้นมา สามแรงแข็งขันท่านเหล่านี้ทำงานด้วยความสานึกที่ไกลมากคือไกลกว่าชุดเดิมนะชุดที่สามเขานึกเฉพาะพ่อแม่เท่านั้นเองแต่ชุดนี้มองไปไกลกว่านั้นแล้วในที่สุดก็บริจาคฐานให้ฐานลงไปผลในการขัดเกลาจิตนั้นเป็นผลที่ยากกว่ามากกว่าเพราะงั้นทำให้ท่านเหล่านี้ถ้าตายแล้วก็ดับจิตด้วย ด้วยผลบุญชั้นนี้นะฮะก็จะไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนี่ก็ส่งรับรองผลร ะ, ระดับชั้นดุสิตเอาไว้การวองปัญหาในแนวนี้มันก็อยู่ที่ความสำนึกความสนึกในชาติในพศาสนาซึ่งบางครั้งบางคราวอาจจะตกหล่นไปตั้งนานแล้วแต่เราก็ย้อนรอยอดีตดูตรวจสอบถึงสิ่งดีงามทั้งหลายในอดีตคืออาจจะเป็นเรื่องสมัย สุขโขทยัยสมัยยุธยาหรืสมัยต้นรัตนโกสินทร์ก็ได้แต่ว่าช่วงหลังมันเกิดหายไปโราคนรุ่นใหม่ไม่อินังขังขอบในเรื่องเหล่านั้นแล้วเรามองย้อนกลับไปเห็นว่านี่เป็นความดีงามเป็นเอกลักษณ์เป็นคุณธรรมที่สร้างความยึดเหนี่ยวให้บังเกิดขึ้นภายในสังคมได้เราก็นําสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเชิดชูสักการะยกย่องแล้วก็สู่แนวในการปฏิบัติจนการรื้อฟื้นขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งหลายที่ดีงามของ คนในยุคนี้หรือว่าในยุคก่อนๆจากนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นคือมองย้อนอดีตแล้วก็สาวไปหาจุดที่เด่นๆในอดีตแล้วก็กระตุ้นความสำนึกของตนเองให้บังเกิดขึ้นก็นำสิ่งเหล่านั้นมาใช้อีกในปัจจุบันซึ่งอาจจะเปลี่ยนโครงสร้างนิดๆหน่นนอยๆแต่ว่าคงเนื้อหาสาระเอาไว้จะเป็นการกระทาที่ควรแก่การยกย่องสรรเสริญแม้ในชีวิตปัจจุบันของเราเราจะเห็นได้ว่า อย่างเวลานี้เราก็เริ่มหมุนแนวกลับแนวกลับไปหลายเรื่องนะฮะมีการรวบรวมเอาไอ้พวกคําพังเพยคติของคนไทยเข้ามาศึกษากาันเรียกว่าปรัชญาชาวบ้านบ้าง อ, าอะไรสุภาษิตคําพังเพยของคนไทยบ้างแล้วก็มีอุตสาหะแรงบางคนอุตสาห์ไปเ ท, ที่ยวจอดภาษิตตั้ท้ายรถสิบล้อเข้าม า, าซึ่งเป็นปรัชญาการมาชีพโดยตรงนะฮะน่าศึกษานะ นักศึกษาเราะว่าเป็นการถ่ายทอดด้วยความรู้สึกแกงแกลจริงๆจะเป็นภาษายัางไงก็ตามนะฮะแต่ว่าเรามาอ่านดูจะเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของคนของเรานะคนระดับการมาชีว่าแกคิดกันแกยังไงแล้วแกก็รบายลงไปในถ่ายโดนกันแกซึ่งก็คมไม่ใช่เล่นนะฮะบางครั้งบางคราวนั่งรถไปก็เห็นเออไอความคิดนี่คมเหมือนกัน แสดงว่าแกแกไปอยู่ในสภาพเหล่านั้นแกมองเห็นปัญหาเหล่านั้นแล้วกแกคิดออกมาแล้วก็ไปเป็นประโยคนประทานนี่ก็แสดงถึงว่าเราก็เราก็เริ่มมีแนวะคิดที่จะย้อนอดีตแล้วก็ดึงความดีงามของบรรพชนต่างๆขึ้นมาใช้แม้แต่วงการแพทย์ก็เริ่มจะไปเอาพวกสมุนไพรกลับมาเมื่อก่อนเนพวกแพทย์เบงกษ์เกินเะนี่ยต้องหมอผรัง่งยาผรั่งนะั่นนั้นดียาไทยใช้ไม่ได้ดังนั้นนะทั้งปู่ย่าตายายรักษาพ่อแกขึ้นมาในะ แ <laughs> กก็เมนเนนที่จริงสมัยก่อน ก, ก็รักษากันในเรื่องเหล่านี้แต่เราก็เถื่อนฝรั่งกันแยะนะ้งทำไนนะนะมนั่นล่ะตัวสมุนไพรก็ถูกทอดทิ้งไปปัจจุบันในเราก็ย้อนกลับมาเห็นคุณค่าของสมุนไพรอาจจะไปเรียนแบบเยอรมันมาเรื่อยไม่รู้นะฮะแต่ว่าเรียนก็เรียนเรียนในทางที่ดีนี่ก็คือความสํานึกแนวเดียวกันคือเราเร า, เราไม่ได้หาจุดใกล้เราแต่ว่าย้อนอดีตไปแล้วก็เห็นคุณความดีเหล่านั้นในอดีตก็ดึงขึ้นมา โดยเฉพาะในกรณีนี้ก็คือสายของบรณประชนตนว่าบรณประชนของตนจึงก็ไม่จําเป็นจะต้องเ ป, เป็นเป็นพ่อแม่เรานะฮะแต่ว่าถ้าท่านได้บำเป็นความดีในชั้นนี้ออกมาเราก็ถือว่าเป็นสืบทอดเจตนารมณ์ของบัประชาชนก็ให้ทานต่อไปโดยความสานึกเห็น3ด้านสํานึกช่วงแรกก็คื อ, อสํานึกคุณของบรณประชนช่วงที่สองก็เห็นว่าพ่อแม่ของตนอาจจะผิดพลาดไปต้องการจะช่วยเหลือพ่อแม่แล้วก็ จำนึกที่สก็เห็นคุณความดีของธรรมะในการให้ทานแล้วก็ให้ไปทรงรับรองว่ามีอานิสงส์ไปจนถึงสวรรค์ชั้นดุสิตจึงเป็นสวรรค์ชั้นที่ตละดที่4ี่นะฮะดุสิตก็คือยินดีนะฮะเป็นที่ชื่นชมยินดีของบุคคลทั้งหลายตามปกติสวรรค์ชั้นนี้ท่านบอกว่าเป็นคนมีบุญ เป็นคนมีบุญอยู่ในสถานที่นี้พุทธบิดาพุทธมารดาพระโพธิสัตว์จะอยู่ที่นี้ทั้งนั้นไม่ได้อยู่อีกชักอีกสองชั้นข้างบน ท, งทั้งที่สูงกว่าประเภทที่ที่5ที่5นะฮะก็มองเห็นว่าในการดำรงชีวิตของคนเห็นพวกสมณพราม์ผู้มีสินทั้งหลายไม่ประกอบอาชีพเช่นเดียวกับตน ในขณะเดียวกันท่านก็ทํางานในภารกิจของท่านตามหน้าที่ของท่านซึ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ตัวท่านแล้วก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สังคม เ, เราเองได้ประกอบอาชีพมีรายได้มีผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพอย่างนั้นซึ่งควรจะเกื้อกูลแก่สมณพราหมณ์ผู้มีศีลเหล่านั้นแต่ในกรณีนี้ท่านบอกว่าเมื่อเกิดความสำนึกขึ้นแล้วก็ให้ทานแก่ทักขินอยบุคคล ก็กลายเป็นอะไรคือเรื่องสัมปทาคุณสี่ที่เคยพูดมานานมาแล้วนะฮะสัมปทาคุณสี่มันเกิดข้าวาอีกข้อหนึ่งเมื่อก่อนมันก็พูดเฉพาะไอ้ตัวเจตนากับการประลบตอนนี้ก็เพิ่มเพิ่มบุคคลผู้รับเข้าไปอีกข้อหนึ่งคือลักษณะของทานที่สมบูรณ์นะฮะแต่ว่าปัจจุบันเราก็หาลําบากครับสมัยพุทธกาลก็หาลําบากอย่างที่เคยบอกว่ามันก็มีอยู่6คนเท่านั้นเองที่เจอสัมปทาคุณอย่างนั้นขนาดสมัยพระพุทธเจ้านะ มีคนที่เจอสัมปทาคุณจริงๆคือสมบูรณ์ครบหมดสี่ข้อนั้นมีอยู่หกท่านเท่านั้นเองเออข้อที่แรกเาเรียกว่าวัตถุสัมปทาคือผู้รับทานนั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมแต่ก็เน้นไว้สูงมากเน้นถึงพระอนาคามีขึ้นไปซึ่งก็หมายความว่าก็มีอยู่สองท่านเท่านั้นเองคือพระอนาคามีกับพระอรหรันต์ประการที่สองก็คือ ปัจจะย่สัมปทาสมบูรณ์ด้วยปัจจัยคือสิ่งที่เราได้มาให้นั้นจะมากหรือน้อยก็ไม่สําคัญแต่ก็สําคัญว่าต้องเป็นการได้มาโดยธรรมยุติด้วยธรรมไม่ชอโกงหลอกลวงเขาปลอมแปลงเขาแล้วก็ได้สิ่งเหล่านั้นมาทําบุญเอาหน้าเพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลเพ่งเลง็งว่าเอาเงินมาจากไหนก็แนวที่สก็คือเจตนาสัมปทาสมบูรณ์ด้วยเจตนาคือความจงใจนี่ก็แนวเดียวกันทั้ง5ชั้น คือหมายความว่าเจตนาที่เป็นเหตุให้คือประลบเรื่องอะไรให้แต่ว่าในขณะที่ก่อนจะให้ก็ดีขณะให้ก็ดีหลังจากให้ก็ดีนั้นก็มีความชื่นชมยินดีอยู่ในการให้และข้อที่4ซึ่งก็ออกจะยากอยู่แล้คุณาดิเรกสัมปทาคือท่านผู้นั้นต้องออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆแล้วเราก็ให้เป็นคนแรกถึงก็หายากเหลือเกินสมัยพุทธกาลก็มีเพียง6กท่านดังกล่าว แต่อย่งไงก็ตามคือเอาข้อ2กับข้อ3เข้ามาผสมกันคือเอาปัจจัยไม่ใช่เอาข้อ1 น, นะฮะเอาข้อ1คือกุณาธิเรกสัมปทาท่านผู้รับเป็นทักขินัยบุคคลที่มีคุณธรรมความดีเป็นดุดพื้นนาที่พร้อมจะหวานพืชลงไปแล้วให้เจริญเติบโตได้กับเจตนาในการให้คือปรารภอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็เข้าใจยอมรับนถือสถานะซึ่งกันและกัน ก็กลายเป็นปัจจัยคำยันสนับสนุนการทําให้ผลอนานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการให้เหล่านี้ส่งให้ท่านผู้ให้ได้ไปอุบัติบังเกิดในสวรรค์ชั้นนิมมาราดีนิมมาราดีนั้นท่านว่านะฮะท่านว่าบอกว่ายินดีด้วยการนิรมิตอา้าคือหมายความว่าท่านต้องการอะไรท่านก็นิรมิตอ้าเลยตามที่ท่านต้องการแต่ว่าในความโลภคงไม่มากนะถ้ามากก็คงจะยุ่งเหมือนกัน เพราะคนเราถ้าปล่อยให้นิรมิตได้เนี่ยฮคงจะยุ่งไปหมดเลยนิรมิตกันใหญ่แล้วก็ถนนลุนทางก็คงจะตันหมดเลยเพราะเพื่อพวกนิรมิตรของไว้กันก็การนิรมิตได้แสดงความโลภต้องลดฮะถ้าความโลภไม่ลดเรายุ่งกันใหญ่เลยมันมันธรรมะนั้นให้ลองสังเกตว่าขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางจิตคือจิตจะต้องพัฒนาขึ้นไปสัมพันธ์กับเอ่คุณสมบัติเหล่านั้นแา่ว่าคุณสมบัติเหล่านั้น ยังไม่มีนะฮะแล้วก็ธรรมะบางอย่างไม่ใช่คือถ้าหากว่าธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เกิดขึ้นแล้วคุณสมบัติเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นไม่มีความสัมพันธ์กันอยู่ตลอดาเช่นว่าคนที่จะได้ระดับพวกอภิญญาที่เป็นโลกิยะกิเลสต้องสงบคือหลังจาก่านฌานจะตุทะฌานไปแล้วจะได้อภิน ญ, ญาจะสามารถถอดจิตไปดูในสถานที่ต่างๆได้อย่างไเนี่ย จิตจะต้องไม่มีกิเลสอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าจิตตั้งมั่นไม่มีจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่ออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็แสแดงวั า, าพัทธจิตอย่างนี้คุณสมบัติอย่างนี้จึงเกิดขึ้นได้ถ้าสภาพจิตไม่เป็นอย่างนั้นคุณสมบัติเช่นนั้นจะไม่เกิดขึ้นนี่คือหลักเป็นสูตรไปเลยเพราะอะไรพระท่านจะเห็นว่าจะเกิดความสับสนหมดเลยสมมติว่า สมมติว่าอะไรฮะสมมติว่าเราถอดจิตไปได้ไปดูในที่ต่างๆได้แต่กิเลสเรายังมีแย่เนี่คงยุ่งหน้าดูนะฮะไปเจอถอดจิตไปจอดูไอ้เขาเก็บซัพย์ไว้ตรงไหนบ้างอะไรตัวอะไรบ้างค ง, ง, งมั่วยหมดเลยเพราะงั้นไ อ, อ, อ้คุณสมบัติเหล่านี้จะไม่เกิดกับคนประเภทหนึ่งแต่จะเกิดขึ้นกับคนที่จิตได้พัฒนาไปแล้วเท่านั้นดังนั้นจึงถือว่าเป็นอภิญญาคือความรู้อย่างยิ่งเออซึ่งเกิดขึ้นจากพัฒนาการทางจิตโดยเฉพาะ ถ้าจิตไม่ขึ้นไปก็ไม่ไปนะฮะดังนั้นไอเราลองดูแม้ระดับกรรมฐานก็เราว่านิมิตก็ดีนะฮะนิมิตก็ดีปีติก็ดีสุขก็ดีอะไรแต่ใดจะเกิดขึ้นได้มันก็ต้องผ่านไปถ้าไม่งั้นไม่เกิดแต่ไม่งั้นไม่เกิดเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่ากิเลสเรายังแย่แล้วก็นิมิตบางเกิดเกิดเราก็ปรุงนิมิต ด, ดูดูที่ว่าปีนี้เออเอองวดนิ่งหวยออกอะไรคงจะยุ่งกันนะ่ะดูเหมือนกันแต่มันจะไม่เกิดขึ้นนะฮะ เพราะคุณธรรมทางใจเป็นฐานที่จะให้เกิดคุณสมบัติคุณธรรมไม่มีคุณสมบัติก็ไม่มีเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาประการหนึ่งจึงในในแง่มุมต่างๆลักษณะาทางสังคมเราจะเห็นว่าอย่างพวกตำรวจหรือพวกแพทย์หรือพวกทหารเนี่ยฮะพวกนี้ก็มีภารกิจหน้าที่ที่ออกได้สองอย่างนะออกได้สองทาง วันวันก่อนอามาไปอบรมในที่แห่งหนึ่งขาวว่ามีนายแพทย์มาถามว่าพระมาจากไหนก็เขาว่าครูนักศึกษาแพทย์ามาก็บอกว่าดีเป็นแพทย์นี่ดีคือจะเป็นเทพบุตรก็ได้นะเป็นกระสือก็ได้เพราะทางมันเสี่ยงคือเฉี่ยวไปเฉียวมานะฮะพร้อมที่จะหักออกไปได้คือเป็นเทพบุตรโดยลักษณะจริงๆก็เป็นเทพบุตร แต่ว่าไอ้กลุ่มผลประโยชน์เงินทองต่างๆเนี่ยมันพร้อมที่จะดูดเพราะวันไวต่อความโลภไวต่อความโลภความโลภเรามีเยอะอยู่แล้วนะฮะแล้วก็วไวต่อความโลภก็อาจจะหักเป็นพวกสูบเลือดเนื้อชาวบ้านก็ได้เพราะก็โอกาสมันก็เปิดให้คนก็ถามคงจะไปสะดุดใจใครก็ามาไม่รู้เราถามมันนี่พระมาจากไหน ก, ก, ก็ที่จริงก็เป็นเรื่องความจริงนะฮะเราจะเห็นว่าบนเส้นทางสายนี้มี ลักษณะที่จะหักไปได้แล้ตํารวจทหารเราก็เหมือนกันคือเขาให้อาวุธวมันต้องฝึกจิตขึ้นไปอยู่ในจุดที่จะใช้อาวุธได้เพราะอาวุธนี้ใช้ปล้นก็ได้ฆ่าก็ได้ใช้ปกป้องบ้านเมืองก็ได้และถ้าจิตมันไม่ได้พัฒนาขึ้นไปมันก็ใช้อาวุธเหล่านั้นไปในทางแต่ถ้าหากว่าจิตเขาไม่ได้พัฒนาไปก็ใช้อาวุธไปในทางทําลายได้ก็อย่างพฤติกรรมที่เราพบเราเห็นกันอยู่เสนะมอนะฮะจิตมันตามกไอยมาฐานที่จะถืออาวุธ <laughs> มันก็ใช้อาวุธไปในลักษณะที่เป็นโจรไปเลยก็มี นี่ก็จึงเป็นเรื่องทุกระดับทุกขั้นตอนของชีวิตนะสัมพันธ์อยู่กับคุณธรรมตลอดแต่เราก็ไม่ได้เน้นกันเท่าไหร่เท่านั้นในเรื่องเหล่านี้ถ้าหากว่าเราได้เน้นที่คุณธรรมที่อะไรปัจจุบันเรียกจรรญาบรนจรญญาบันอย่างคนจะเป็นหนังสือพิมพ์เนี่ยเป็นนักหนังสือพิมพ์ในถ้าเรามีจรรยาบันคือมาตรฐานทางคุณธรรมสูงพอข่าวก็คือข่าวนะความเห็นก็คือความเห็นเท่านั้นเองแต่มันจะไม่ใช้อากาติส่วนตัวของตัวเองเข้าไปสอดใส่ในเรื่องเหล่านั้น เป็นนักวิชาการที่บริสุทธิ์ได้นะแล้วก็มีประโยชน์มากเพราะหนังสือพิมพ์เนี่ยมันพิมพ์เป็นหมื่นๆอ่ะหนังสือเป็นเล่มเนื้หายากที่เราจะพิมพ์จํานวนท่าหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์บางฉบับก็พิมพ์ได้เป็นแสนๆในบ้านในเมืองอย่างฝรั่งก็มีเป็นล้านๆถ้าเป็นนักวิชาการบริ ส, สุทธิ์จริงๆแล้วก็มีวิญญาณของนักหนังสือพิมพ์จริงๆนั้นประชาชนจะได้ความรู้ได้ข่าวสารที่ถูกต้องแล้วก็ได้ความรู้ที่ถูกต้องซึ่งึ่งเป็นการลงทุนที่น้อยนะ เราได้ประโยชน์มากแต่ทีนี้เราก็หายคนในลักษณะนั้นไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้เราคือได้น้อยเราทำให้เราได้ประโยชน์จากสื่อสารมวลชนของเราน้อยไปหน่อยนี่เพราะอะไรเพราะว่าจิตไม่ได้ปรับขึ้นไปอยู่ในจุดที่ที่ตนควรอยู่ เ, เรื่องนี้จึงกลายเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องใหญ่ในกรณีต่างๆคือจะปลารบเพจอะไรก็ตามมันก็เกี่ยวกับพื้นฐานทางความสานึกของบุคคลเหล่านั้นพอมาถึงประการที่6นั้นท่านจะเห็นว่า ทำตามคําของบัณฑิตคือโดยโดยสรุปว่าประพฤติตามประเพณีของบัณฑิตทั้งหลาย เ, าเช่นที่เคยเล่าความว่าพระพุทธเจ้าจะทําอะไรในกรณีไหนก็ต้องนึกดูพระพุทธเจ้าในอดีตท่านทำยังไงพระองค์ก็จะทําอย่างนั้นนี่คือคื อ, ค, อคือเอาเฉพาะบัณฑิตล้วนๆเลยมองดูว่าบนเส้นทางสายนี้นักปราชถนบัณฑิตท่านกระทํามาแน่นอนว่าบนเส้นทางของบัณฑิตนั้นจะไม่มีความผิดพลาด แล้วพวกนี้ก็ยึดแนวของบัณฑิตเป็นหลักว่าโบราณบัณฑิตท่านเคยประพฤติปฏิบัติมาเป็นวงของบัณฑิตที่อะไรพระพุทธเจ้าทรงสแสดงอริยวงสสูตรนะฮะสูตรวันนี้ว่าเป็นอริยวงอันนี้วงเป็นอย่างนี้วงอริยะประพฤติปฏิบัติกันมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเดินไปตามบงของอพระอริยะจะมาการสอนให้สันโดษในปัจจัยสี่นะฮะสันโดษในปัจจัยสี่ก็แม้ในระดับชาวบ้านเองก็ปฏิบัติได้ อาหารที่อยู่ที่อาศัยเครื่องนุง่งห่มยากแก้ไขนะฮะควบคุมความอยากการใช้สอยสิ่งเหล่านั้นคือให้สันโดษในอะไรสันโดษในการสแสวงหาในการถือครองในการใช้สอยสิ่งเหล่านั้นสามช่วงด้วยกันคือในการสแสวงหาก็ควบคุมทิศทางการสแสวงหาให้อย่าให้ไปไปล่วงล้ำกำเกินสิทธิของบุคคลอื่น จะแสวงหายังไงก็ได้นะไม่ไม่มได้เสียหายอะไรเลยรวยเป็นพันล้านก็ได้ก็สําคัญว่าอย่าไปอย่าไปเบียดเบียนคนอื่นก็แล้วกันก็ไม่ได้ว่าอะไรสันโดษเนี่ยเป็นธรรมะพัฒนานะฮะแล้วก็เดินไปบนเส้นทางทางใครทางคนนั้นเลยอย่ไม่เบียดกันเองเราก็ไปเข้าเข้าใจสับสนในทางนั้นเองในการแสวงหาเราทุ่มเทลงไปได้เต็มที่ไม่มีปัญหาเอาไปเลยมีสติปัญญาทศหลายคนทศไหญ่ทุนอะไรทุ่มลงไปแต่อย่าไปเบียดเบียนเขาแล้วกั น, กน ทีนี้ในการบริโภคใช้สอยนั้นเป็นการคุมความคิดได้อยู่ในจุดตดีนั้นอย่างที่ยกตัวอย่างไม่ใช่ว่าอาหารเต็มโต๊ะแล้วก็มองไม่เห็นอร่อยสักโต๊ะสักถ้วยหนึ่งแล้วก็อยากไปกินข้าวนอกบ้านนี่มันกเกินไปมันก็เดือดร้อนนะมีเงินมากมีเงินน้อยมันก็เดือดร้อนทั้งนั้นเลยนี้ก็คุมในจุดนั้นเท่านั้นแต่ในการซื้อหาจับจ่ายจะเห็นว่าถ้าเมืองไทยเรามีหลักสันโดดอยู่นะคงไอ้ดุลการค้าคงไม่เสียมากมายขนาดเนี้ย นี่เราก็ไม่ค่อยจะสันโดดอะไรก็มีรถนิยมสูงจะกินผลไม้ก็ต้องแอปเปิลนันอะไรตัวอะไรมาว่ากันไปใหญ่เอามาจากเมืองนอกจะสูบบุรีก็ต้องสูบบุรีนอกอะไรต้องของนอกไปหมดเลยนะต้องปั้มจานอกถึงทําเมืองไทยก็ขอตีจานภาษาอังกฤษแล้วจะเห็นหน่อยก็แล้วกันมันรู้สึกก็มีสง่าราศีหน่อยสมศักดิ์สีคนไทยหน่อยไปกินเมดอินไทยแลนด์นไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ค่อยโก้อันนี้ก็คือความคิดนะฮะเราจะเห็นว่าถ้าเราสันโดด ในบ้านเมืองเรามีทรัพยากรอะไรเราก็ใช้อย่างนั้นก็ไม่เห็นมันจะเสียหายอะไรเราก็อยู่อย่างเราอยู่เขาก็อยู่อย่างเขาอยู่ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนกันฝรั่งก็คือฝรั่งไทยก็คือไทยไอ้ไทยที่พยายามเป็นฝรั่งหรือฝรั่งที่พยายามเป็นคนไทยมันดูเก่งก้างนะแต่ถ้าว่าใครเป็นอะไรก็เป็นอย่างที่เป็นนะอ่ะเรไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรมันเป็นเอกลักษณ์แะสะแดงถึงความสํานึกที่ดีงามของบุคคลเหล่านั้น พันสายนี้จึงเป็นการมองปฏิปทาของบัณฑิตท่านจะพบว่าการตัดสินความดีงามในแนวที่จิตใจพัฒนาแล้วนะฮะเพราะเราจะไม่ฟังถ้อยคําของคนผ่านเพราะคนผ่านก็จะด่าได้จะตําหนิดได้อยู่ตลอดเลยแต่ถ้ามองสายของบัณฑิตบัณฑิตจะมีการเพ่งโทษตัวเอง เ, ออเป็นพื้นบัณฑิตจะแนะนําในเรื่องที่ควรแนะนําจะประกอบกระทําในเรื่องที่ควรประกอบกระทําบัณฑิตจะไม่แนะนําในทางเสียหาย แต่จะแนะนําในทางที่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญเท่านั้นเพราะงั้นปฏิปทาของบัณฑิตจึงเป็นปฏิปทาที่ลงตัวคือคนในยุคใดสมัยใดทำมันก็คือคือการถ้าเหล่านี้ก็ย้อนอดีตไปลิฟเลยก็เอาเฉพาะแหวกเอาก็ไม่แน่แร้วปูญาตายายเราบางทีแกทาผิดผิดเหมือนกันอ่ะไอผิดผิดเราก็ไม่เอาอ่ะเราเอาเฉพาะบัณฑิตเอาเฉพาะบัณฑิตเท่านั้นท่านผิดไปแล้วท่านตกหลุมไปแล้วเราไม่เล่นด้วยแล้วก็ไม่ยอมตกหลุมนั้นตามไปดูเฉพาะบัณฑิตเท่านั้นดังนั้นในช่วงนี้ท่านจะเห็นว่า ยุติด้วยความดีนะฮะแต่ก็อาศัยรูปธรรมคือบุคคลแทนที่จะอาศัยธรรมะจริงๆก็อาศัยบุคคลเป็นตัวกาหนดแต่ว่าธรรมะนั่นก็จะทอดมาที่บุคคลแล้วก็กลายเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นประเวณีเป็นวงของบัณฑิต ท, ทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงอริวังศาสูตยจางที่ว่าเนี่ยก็คือให้เราเดินตามวงของพระอริยะให้สันโดษนเนียสันโดษในเรื่องปัจจัยสี่ แต่เราจะสันโดษอย่างที่แนวที่ว่ามาทั้งหมดนะฮะไม่แม้ว่าจะเป็นที่อยู่ที่อาศัยอาหารเครื่องนุ่งห่มหรือยาแก้ไข้ก็ตามก็สันโดษในการสแสวงหาสันโดษในการบริโภคใช้สอยนะสันโดษในการซื้อหาสิ่งเหล่านั้นการจับจ่ายเพื่อได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นเราก็จะอยู่อย่างสบายมากเพราะเรายึดแนวของบัณฑิตประการต่อไปนั้นชุดนี้ขึ้นปรนิมิต ว, วัสดีนะฮะ ที่น่าทึ่งคืออามายัางไม่พบว่าพูดถึงฐานแล้วขึ้นขึ้นพรหมโลกเพราะเราเคยพบแต่ฌานพบแต่ฌา น, พ, นาพบระดับนั้นว่าขึ้นพรหมโลกก็ไปเจอฐานนี้ขึ้นพรหมโลกได้กันเลยก็นํามาเล่าให้ฟังพอมาชั้นที่สามที่เจ็ดนะฮะชั้นที่เจ็ดเราเราจะเห็นพัฒนาการทางจิตเดินมาเรื่อยๆนะฮะมีขอบคายขาจัดกิเลสสูงขึ้นเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งนั้นไม่อาปรารบปีติโสมนัสของตัวเองมองเห็นว่า สิ่งเหล่านี้เป็นความดีงามยุติด้วยเหตุผลความดีแล้วก็ทำทานเพราะเห็นว่าสามารถขจัดกิเลสได้แล้วก็ทำจิตใจของตนให้สงบขึ้นประนีตขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ทำไม่ติดใจรูปแบบอะไรเลยไม่อิงวัตถุนะอิงธรรมอิงธรรมก็สรุปว่าอะไรนะฮะชั้นแรกจะมีลักษณะเป็นโลกาทิปไตยเป็นโลกาธิปไตยคืออิงอาศัยชาวโลกอาจจะอาศัยจุดใดจุดหนึ่งของชาวโลก แต่ตอนนี้จิตสลัดตัวเองหลุดพ้นจากเงื่อนไขของโลกแต่มาอยู่ในเงื่อนไขของธรรมะเป็นระบบธรรมอาธิตย์ไต่ตมาทิปไ ต, ย, รรปตยคือถือธรรมะเป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติเลยท่านก็อาศัยทานเป็นฐานแต่ทานเป็นฐานก็บริจาคทานเพราะมองเห็นผลอานิสง์ในการให้ทานว่าเป็นความดีที่ท่านสัมผัสได้ในขณะนั้น ถทำไมติดใจว่าต่อไปจะได้ไปกินไปอยู่มีวิมานอยู่หรือเปล่าหลังเล็กหลังใหญ่อะไรต่อไรนะั้นลงทุนสร้างวิมานในพระอยู่เสียก่อนแล้วตัวเองก็ไปนอนวิมานหลังจะตายไปแล้วอย่างงี้ขาดทุนก็เอากันเลยว่าเอาตรงนี้ผลที่เราสัมผัสได้ด้วยใจในขณะนั้นแหละเอากันขนานั้นเลยปารุปรรธรรมะเป็นเกณฑ์นะฮะปารุปรรธรรมะเป็นเกณฑ์ซึ่งหลักอธิปไตยก็ถือเป็นใหญ่แนวแรกก็ถืออัตตา อัตตาธิปไตยคือปรารบตนเป็นใหญ่แต่ท่าที่พระพุทธเจ้าอธิบายเองไม่เสียหายนะฮะแต่ว่าเราเวลาเรามาอธิบายกันไม่รู้เอามาจากไหนเอามายังหาไม่เจอเลยที่เขาอธิบายกันเนี่ยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอธิบายเองคืออัตตาธิปไตยท่านได้แก่ปรารบเราโดยชาติโดยสกุลโดยพื้นฐานโดยภูมิธรรมสติปัญญาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นควจะทำอย่างนั้นอย่างนั้นให้มัเป็นประโยชน์ปรารบตัวเองแต่ว่าปรารบที่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเองพ่อแม่วงสกุลอะไรในการศึกษาวัยชั้นอะไรแต่ไรเนี่ย แล้วเขาทำความดีให้เหมาะสมแก่นั้นคือไม่ใช่ว่าถือตัวเองเป็นใหญ่ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นใครไม่ไม่ไม่ได้อธิบายอย่างนั้นนะฮะที่พระพุทธเจ้าอธิบายเองไม่อธิบายอย่างนั้นในพระไตรปิฎกอะแต่ว่าในหลังว่าอธิบายไม่รู้เอามาจากไหนคำถามยังไม่เจอกันเลยคำถามอาจารย์ชีพก็อาจารย์ที่บอกไม่เคยเจอเลยคนนักค้นๆยังไงถามยังไม่เจอแสดงว่าเป็นการอธิบายโดยอัตโนมัติต้องการให้เห็นเหมาะสมกับไอ้ความคิดของโลกท่านนั้นเอง พระตาบายแนวนั้นก็ถูกเหมือนกันนะก็ไม่ใช่ไม่ถูกกับคนบางคนฉันฉันเท่านั้นคนอื่นไม่เกี่ยวนะฮะโอการตาที่ประยแต่ถ้าแนวอธิบายแล้วก็แนวที่สองก็คือประรบโลกถือว่าสิ่งนี้เป็นความนิยมเป็นเงื่อนไขเป็นประเพณีคือคล้อยตามชาวโลกไป ในประการที่สก็เป็นธรรมาธิปไตยคือถือความถูกต้องความดีงามเป็นกฎเป็นเกณฑ์นี่ก็เรียกว่าปราลบธรรมล้วนๆจะยกย่องสรรเสริญไม่ยกย่องสรรเสริญชาวบ้านจะมองดูเป็นยังไงอะไรแต่ไรเนี่ยไม่ค่อยไปติดใจในเรื่องเหล่านั้นซึ่งทําอะไรไปก็ตามนะฮะคนชอบก็มีคนชังก็มีคนยกย่องก็มีคนสรรเสริญก็มีก็ว่ากันไม่ได้ละฮะคนตําหนิก็มีคนยกย่องก็มีแต่ท่านเหล่านี้จะปรารบธรรมเป็นเกณฑ์ แล้วในที่สุดก็ประพฤติปฏิบัติกระทำไปในจุดนี้ทรงแสดงทุกจุดนะฮะว่ามันเป็นวัตคามีกุศลคือหมายความว่ากุศลที่หมุนนะมันกุศลที่หมุนวัตตะคือวงกลมด้วยแรงบุญกุศลขึ้นไปอยู่ในสวรรค์ระดับหนึ่งซึ่งก็นานนะฮะ่จริงๆก็นานจัง มายังนึกๆอยู่ในวัยคนทําความดีในบ้านเมืองเราเนี่ยตายไปเป็นเทพปุะวเทพธิดาหมดนั่นเองแตบ้านเมืองเราเลยหาคนดียากๆหน่อยคือไปอยู่บนสวรรค์ได้หมด <c oughs> ก็ดูแล้ว ด, ดูดูหลักฐานต่า ง, างๆมานานนะึกเกินหนะไปอยู่กันอะ่ะไม่ค่อยยอมลงมาสักทีหนึ่งเพราะว่าท่านก็ไปใช้สอยความดีเหล่านั้นอยู่บนสวรรค์ก็ขนาดจ้าตูมาราชเองก็สาหัสแล้วนะอย่างที่เล่าให้ฟังวัน ก, นก่อนในเท้า เทวสุวรรณนะฮะเวสุวรรณก็มีอายุเทียบกับโลกมนุษย์ทั้งเก้าล้านปีนเะมื่อไรจะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่รู้นานได้เกินแต่ว่าเป็นวัตฐ์ะนะเป็นวัตฐ์คือต้องหมุนกลับพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าเมื่อหมดนะเมื่อหมดบุญเมื่อหมดฤทธิ์เมื่อหมดกําลังกําลังของบุญนะแล้วท่านก็กลับมาเป็นอย่างนี้อีกคือต้องหมุนกลับมาเป็นอย่างนี้พวกอย่างนี้ก็ยืนยันอีกทีหนึ่งนะว่า ตกมาจากสวรรค์ Israeli แล้วไม่ลงนรกหรอกจะไปอยู่เ ป, เป็นมนุษย์ไปก่อนเพราะว่าบุญสต๊อกอย่างอีกเยอะคือคือคือไอ้ก็คล้ายๆเกษตรทีจนนะฮะคล้ายๆเกษตรทีจนก็ยังไงยังไงก็ดีกว่าคนจนน่ยก็เรียกว่าข้าวตังหม้อใหญ่นะบอกว่าหมดแล้วแต่พอขูดแล้วก็ได้ทางการละมังใหญ่ๆก็นี่ก็คือกุศลที่เป็นวัตะจะประนีตยังไงนะฮะตกแต่งพบชาติยังไงก็ตามแต่ว่าในที่สุดมันก็หมุน หมุน ล, ลงมาสู่วัฏฏะเหมือนเดิมแต่ก็หมุนกลับมาชา้ามาเร็วก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของสวรรค์นในแต่ละชั้นที่สําคัญที่น่าสนใจก็คือชั้นที่7จนะ็ชั้นที่7ที่ปรรบธรรมะล้วนๆยุติ ด, ด้วยปีติโสมนัตที่ตัวเองปรรบขึ้นมาเราเห็นนี้เป็นความดีความงามก็ไม่เดือด้องแวะติดใจเงื่อนไขอะไรต่างๆนะาพวกนี้ปร ะ, ประเภทใดประเภทที่พร้อมจะทําความดีทั้งต่อหน้าคนแับหลังคนเพราะไม่เกี่ยวเกาะด้วยเงื่อนไขอื่น ไม่เกี่ยวกับเงื่องเขอื่นแต่ปรารพรทำเท่านั้นเองใครเห็นใครไม่เห็นก็เป็นเรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานะฮะอะไรจริงคนก็เห็นเมื่อคนไหนไปเพิ่มบุญสมบับเราอะไรบางทีเพิ่มบาปไปแก่เขาอีกถ้าเขาอิจฉาเราถ้าเขาดิสยาเราอาจจะเพิ่มบุญแก่เขาถ้าเขาโมทนาเราแต่ว่าเรานั้นเราไม่ได้เพิ่มบุญอะไรขึ้นมาแล้วก็ทําก็เท่านั้นนะคนเราเราทําก็เราคนเดียวก็เท่านั้นคนอื่นเห็นก็เท่านั้นแต่อาจจะมีผลกระทบของเขาทางด้านบวกด้านลบอย่างที่ว่าเนี่ย บางคนก็เห็นคนอื่นทําดีไม่ได้ก็อาจจะริษยาแล้ก็เป็นช่วยเพิ่มบาปให้เขาหน่อยนะในกรณีบางทีเราก็เห็นว่าการกระทําของคนนั้นควรแก่การโมทนาก็จะเพิ่มบุญให้แก่เขาเป็นพวกปัตตาห์โมทนาใหม่นะฮะลอยชื่นชมยินดีในการกระทําความดีของบุคคลอื่น เ, เรื่องที่ทรงแสดงนั้นเป็นการตอบคําถามที่ถามบีบลงไปนะฮะ บีบลงไปแต่อย่าลืมมาเงื่อนไขของกรรมเมื่อเราจะต้องพูดจริงๆเราก็ต้องเอามาชนกันเป็นตลอดว่ากรรมส่วนหนึ่งไม่ว่ากรรมเรื่องอะไรก็ตามเราจะได้รับผลในปัจจุบันผลในปัจจุบันเป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมกรรมที่เราได้ในชาติปัจจุบันชาตินี้ส่วนจะได้ช่วงไหนอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าประเภทของกรรมเหล่านั้นแล้วก็องค์ประกอบเหล่าอื่นเชนว่าเจตนาเป็นกุศลแรงหรือไม่แรงความพยายามมากหรือน้อย คนที่รบริจาคให้มีคุณมากหรือมีคุณน้อยเจตนาในการบริจาคของเราดีหรือไม่ดีมันก็มีเงื่อนไขอีกเยอะแต่ว่าส่วนหนึ่งแล้วเราจะได้รับในปัจจุบันนี้ในชาติปัจจุบันนี้แต่เมื่อเขาถามคือคนสมัยก่อนเขาไม่วกแวกสงสัยอย่างคนสมัยนี้หรอกคนสมนัยนี้ยุ่งจริงๆเลยไ ม, ไม่ว่าไปงานไหนเลยผีมีจริงไหมสวรรค์นรกมีจริงไหมเทวดามีจริงไหมถามทุกงานเลยและโดยเฉพาะพวกครูๆเนี่ยฮะเขาถามจริงๆเลยฮะ ทุกจังหวัดเลยปัญหาที่จะมาไปตอบมาไม่รู้สะ ก, กี่จังหวัดในวันที่4จะไปสุขโขทยัยแล้วค่อยดูเจอปัญหานี้อย่างน้อยต้องสามข้ออีกชอบถามจริงๆนะครบางทีเราอธิบายไปหยกดกเนี่ยปเดียวแกเขียนปัญหามาถามอีกแล้วเรื่องที่กําลังพูดอธิบายไปดีนะอนธิบายไปเสร็จแล้วเขียนปัญหามาถามาอีกแล้วเมืกรก็ไปอธิบายเรื่องกรรมหลักกรรมนะครับอธิบายไปเสร็จแต่แกบอกว่าทําดีได้ดียังไงก็ไหนว่าคนคนบางคนทําชั่วร่า ร่ำรวยมากมายกายกองนี่ก็เราอธิบายไปว่าไอ้ผลของกรรมเนี่ยมันรับได้สามสี่ชั้นนะฮะชั้นแรกเป็นผลจากกิริยาคือการกระทําของเราการกระทําเรากําหนดไม่ได้ว่าเป็นผลของอะไรการที่วัดมาเป็นตึกเป็นรถเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นเงินเป็นทองในแบงก์เนี่ยมันก็รู้ก็ดูไม่ออกหรอกเพราะบางทีก็อาจจะข้าวฟินมาก็ได้นะแล้วอาจจะทําสมาชีพมาก็ได้นี่เรียกว่าผลของกิริยาเราไม่กําหนดกันตรงนี้ ผลชั้นหนึ่งคือผลในด้านจิตใจผลในด้านจิตใจเราจะเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะจิตใจเรารู้ทันทีว่าสิ่งนี้ถูกหรือสิ่งนี้ผิดเคยไม่รู้เรารู้นะเรารู้เราเดือดร้อนใจเราเป็นสุขใจเรารู้ด้วยตัวของเราเองไม่จําเป็นหรอกว่าเพราะที่รับไม่มีในโลกอย่างที่พระพเจ้าว่านเพราะเราคนที่ทําคนเดียวเราก็รู้ของเรานี่นะอย่างน้อยเราก็รู้เป็นคนแรกแล้วว่าไอ้สิ่งนั้นเราทํา จะถูกหรือผิดมันก็มีผลต่อใจของเราที่เราเห็นได้ชัดเจนการให้ทานในขั้นต่างๆก็มีลักษณะอย่างนั้นเราก็เห็นของเราแล้วเป็นานิสง์ที่เราเห็นและผลทางสังคมคือทัศนคติของสังคมที่มีต่อเรานะการมองสายตาของบุคคลภายในสังคมโดยเฉพาะสายตาของผูอยู่ชนมันก็มองจำแนกได้อย่างชัดเจนฮะคนนี้เป็นคนดีเป็นคนเลว อ, อย่างไรโดยอาศัยการกระทําของเขาเป็นมากในการกําหนด ตัดสินลงไปแล้วก็แนวการบรรดาลอันนี้คือคือบุญจริงๆเราจะพบว่าบุญบาปนั้นเริ่มเห็นชัดๆที่ใจก่อนจะ เ, เห็นชัดที่ใจแล้วก็เห็นชัดตรงมาอีกทางสังคมแต่ว่าสังคมอาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะฮะบางทีก็อยู่ในหมู่โจรมันก็ถือเป็นวีรกรรมไปเลยถ้ารุนมากๆสามารถนําของหนีภาษีได้มามากๆก็เก่งเป็นวีรกรรมมันได้รับรางวัลมันก็ชักจะยุ่งนิดหน่อยเหมือนกันนะทีนี้เราก็ตัดสินในสายตาของผินอยู่ชนคือคนดี แล้วก็ผลในการบรรดา น, นี้ลงตัวเพี้ยเลยไม่ต้องหง่วงไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงเป็นอย่างอื่นได้ไม่มีการขอร้องอ้อนบอนหรือประณีประนอมให้สินบนรางวัลอะไรๆกันได้ในเรื่องกฎของกรรมแล้วกฎของกรรมเหล่านี้เราก็สัมผัสส่วนหนึ่งในชาติปัจจุบันเป็นพวกทิ่จะำมำ เ, เวทนิยกรรมคือเราได้กันในชาตินี้แต่พวกนี้ต้องแรงหน่อยนะฮะต้องแรงหน่อยคือคือว่าจะเป็นบาปหรือเป็นบุญคือต้องแรง เจตนาแรงวัตถุใหญ่ความพยายามมากแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นค่าเป็นการให้หรือเป็นอะไรจะได้ผลจะได้ผลเร็วส่วนมากเราไม่ค่อยติดตามต่นั้นเองถ้าเราติดตามเราสังเกตสังกาเชื่อมโยงกันให้ดีเราก็พบว่าพวกทานในแนวเนี้ยแนวแนวที่จะประรบอะไรก็ตามนะฮะเราก็ได้รับผลกันอยู่โดยเฉพาะทานประเภทแรกท่านจะเห็นว่าโดยหลักที่เป็นพระพุทธวจนะจริง พระพุทธเจ้าไม่เคยปฏิเสธการตั้งความปรารถนานะฮะแต่จะบอกว่าก็มันมีผลน้อยกว่าเท่านั้นเองนะฮะมันมีผลน้อยกว่าที่ให้ทานอย่างในลักษณะที่สํานึกถึงธรรมะจริงๆคือให้ก็ให้ไปเลยไม่ต้องเป็นข่วงแล้วแม้บริจาคแสนตังได้เหรียญหรือเปล่าก็ามหมารู้ลองสอบดูดิตอนนี้จะได้เหรียญไหมได้มันรุ่นวายนะะมันรุ่นวายใจมันไม่สงบนะคุณภาพจิตมันก็ไม่เปลี่ยนอะไรทไลัยเพราะคุณภาพจิตจะเปลี่ยนจากการสละเงิน นะเป็นความเป็นความอยากได้เหรียญ น, นะให้ความโลภหนึ่งข้าวความโลภหนึ่งออกความเอไม่ใช่ความโลภหนึ่งออกความโลภหนึ่งข้าวมันก็เป็นความโลภชนิดเดียวกันเพราะงนั้นคุณภาพจิตจึงไม่เปลี่ยนไปมากแต่ว่าการกระทำนั้นก็เป็นความดีชั้นหนึ่งซึ่งก็หน่วยผลนะฮะยังไงก็เป็นจาตุมาราชก็ไม่เบานะอยู่ตั้งนานนะตั้งอายุเขา โลกของเราห้าสิปีของเขาเพิ่งผ่านไปวันก็คือหนึ่งเท่านั้นเองก็นานการตั้งจิตปรารถนาการอาธิษฐานด้วยการมุ่งหมายใดแต่ไ ร, ไรนั้นส่วนมากระดับหนึ่งแล้ต้องมีคนเราก็ทํานองหอว่านพืชหวังผลหว่านพืชหวังผลแต่ถ้าเราเไม่ไปคล้องติดมากเกินไปเพราะไอ้สิ่งที่เราทําท่านทั้งหลายจะเห็นว่าคือเราทําก็คือเราทําไปไม่จําเป็นจะต้องไป มุ่งหมายไรถึงท้าวเกิดมันเกิดเองเหมือนกับการปลูกพืชเราปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งลงไปแล้วหน้าที่ของเราก็คือปลูกรดน้ําพรนดินใส่ปุ๋ยอะไรอะไรไปนะฮะแต่ว่าการให้ผลเป็นเรื่องของพืชถึงท้าวแกให้ผลเองไม่ต้องห่วงหรอกเราปลูกอะไรไกจะให้ผลอย่างนั้นแต่ว่าเราก็ไปบังคับไม่ได้ไปกะเกณฑ์ไม่ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเหมือนกับชาวนามีหน้าที่ทํานาก็ทําไป ทำไปจะไถจะหวานจะคราดจะดำจ ะ, ะทดน้ำข้าวนาเอทดน้ำข้าวชักน้ำออกอะไรต่ อ, อะไรก็ทำไปแต่ว่าพืชจะให้ข้าวเมื่อไอไม่ใช่ข้าวมันจ ะ, ะตั้งท้องเมื่อไหรจะออกรวงเมื่อไรจะสุกเมื่อไรนั่นเป็นเรื่องของพืชคือเราแยกให้ออกแล้วเราจะใจะ จ, ะ จ, ะจะปล่อยวางมากยิ่งขึ้น ไม่ไปพัวพันวุ่นวายสมมติว่าตักบาดไปแล้วเอพระจะเอาไปฉันหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นวันนี้อาหารแยกได้ขึ้นปีใหม่นี่มาฉัดเปล่ารู้เอาไปขายก็ไม่รู้มันจะวุ่นวายเปล่าไหนไปคิดทาไมเหรอะคือเราเสร็จไปแล้วหน้าที่ของเราที่จริงมันเสร็จไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วเราไมาา่าเราไม่ต้องไปคล้องแวะกับเรื่องเหล่านั้นท่านจะเอาไปทำอะไรก็ไปเรื่องของเขาไม่ใช่ว่าเวลาเนี้ยฮะมี ม, มีมีบางแห่งก็เรียกสมภาร น, นอกวัดนะฮะ อาตมาเนี่ยอธิฐานใจไปตั้งแต่ไหนแต่ไรมาวัดไหนมีสมภาร น, นอกวัดจะไม่อยู่วัดนั้นเน่ยสมภารนอกวัดก็คือคนสร้างวัดอะคนสร้างวัดแวราสร้างกุฏิอะไรเรามาเจ้ากี้เจ้าการจุนจ้านมาชี้นิ้วสั่งการพระต้องต่างนั้นพระต้องอย่างนี้วุ่นวายวุ่นวายเราเรามันก็หลีกมาแล้วเราก็ไม่ยอมกลับก็บไปสู่อำนาจอันนี้เ น, นี่ยพวกพว ก, พวกสมภาร น, นอกวัดคือให้ก็ไม่ให้จริงให้ก็ไม่ให้จริงสละกุฏิไปแล้วฉลองไปแล้วประกาศถวายสงฆ์ที่มาจากจารุรทิศไปแล้ว ก็ไปด้อมๆมองๆทำไ ม, ม ใ, ใครมาอยู่ในสกรปรกหรือสะอาดอะไรทอะไรเนี่ยไปหุบไว้อันนี้คือใจไม่สงบใจไม่สงบยังเป็นของฉันของฉันอยู่มันไม่ใช่ของฉันแล้วก็เป็นของวัดไปแล้วก็หมดไปแล้วเราตัดไปเป็นการตัดใจออกจากเรื่องเหล่านั้นนั่นก็ในชั้นที่ยังเป็นของเราก็ไม่ใช่มีปัญหานะฮะว่าที่จริงเนี่ยแต่ว่าถ้าพูดถึงความสบายใจแล้วเนี่ยอีกชั้นหนึ่งสบายใจกว่า อันนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลในระดับหนึ่งอยู่นั่นเองไม่ใช่ปฏิเสธเพราะกุศลก็คือกุศลไอ้ส่วนจะมากหรือน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่งางๆแล้วทีนี้มาจนถึงจุดสุดท้ายโดยเฉพาะจุดสุดท้ายนะฮะจุดจุดแรกพระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธต้องการจะเชื่อเห็นว่าที่เราเอาไปพูดพูดกันเนี่ยมีคนมาถามมาบ่อยว่าเขาบ้าเขาว่านะคือมาไม่ค่อยสนใจแหละเขาไหนแต่ก็ดูพระพุทธเจ้าว่าแต่นั้นเองคือเขานี่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ดูพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ปฏิเสธนะ แม่ได้ปฏิเสธเช่นเดียวกับการไม่ปฏิเสธการเคารพนับถือสิ่งอื่นในฐานะหนึ่งจะอํานวยผลให้ในฐานะหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ปฏิเสธแล้วเราก็ไปปฏิเสธบางทีเราก็เช่นว่าพระพุทธเจ้าไม่ไม่ไม่ให้อย่างงั้นไม่ให้นับถือสิ่งนั้นที่งนี้ไม่มีพระบพระเจ้าไม่ว่าเลยไม่ได้ว่าเพียงแต่พระพุทธเจ้าแสดงนั้นเราไม่เข้าใจเองพระพเจ้าบอกว่าคนเราประทุกมรณภัยคุกคามคือมีความกลัวความบาดความระแวงความมีตัวกังวลนะฮย่าไปยึดถือสิ่งต่างๆว่าเป็นที่พื่อ คุณเจ้าปฏิเสธสสถานะเท่านั้นนะฮะเราต้องรู้ไว่อย่างหสมสถานะเท่านั้นเนตังโขสนังเขมงังนั่นไม่ใช่สาระอันเกเสมเนตังสนะมุตมังนั้นไม่ใช่สาระอันอุดมเนตังสนะมาร์กมาสบดุข้าประมจุจติคนถึงสิ่งเหล่านั้นเป็นที่พึ่งแล้วไม่สามารถจะหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนะฮะทั้งปวงได้แต่ไม่ได้พูดระดับหนึ่งนี่ฮะระดับล่างๆไม่ได้ปฏิเสธ ระดบล่างๆไม่ปฏิเสธแต่นั่นคือสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ก็ก่อนพุทธกาล ก, ก็ถึงถึงตรงนั้นก็มีชีวิตสืบทอดมาได้่แปฏิเสธก็ได้ยังไงพระพุทธศาสนาเพิ่งเกิดเมื่อสองพันกว่าปีมา น, นี้เองคนมันมีมันตั้งกี่ล้านปีแล้วก็ไม่รู้ก็ก็อยู่เ้าได้ก็แสดงไว้สิ่งเหล่านั้นอำนวยประโยชน์สุขให้ได้ในชั้นหนึ่งนะแต่ไม่ใช่กเกษไม่ใช่สูงสุดไม่สามารถหลุดพ้นจากทุกข์ตั้งปวงนี้แน่นอนนะฮะแต่ว่าทุกข์บางทีไม่ใช่ตั้งปวงเสมอไปมันเป็นทุกระดับโดยระดับหนึ่งเท่านั้นเอง นั่นก็คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่าขั้นตอนไม่ใช่ไะจับเอาตัวตอนใดตอนหนึ่งเพราะในที่สุดเนี่ยในตอนสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็แสดงถึงชนะอันกเกษมสูงสุดไว้แล้วก็มีเงื่อนไขนะว่ากันตามความจริงเนี่ยทรงแสดงยังมีเงืนะ่อนไขน่ะบุคคลใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเทิลึกแล้วปฏิบัติจนเห็นแจ้งอริยสัจ ท, ทั้ง4ประการนะมีข้อแม้นะ ไม่ใช่ว่าพุธทธังสนังกระฉามิธรรมังสนังกระฉามิสังขังสนังกระฉามิแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะมันมีเงื่อนไขต่อไปต้องเห็นแจ้งอริยสัจทั้งสี่คือรู้แจ้งทุกขสมุทัยนิโรธมรรคนะเห็นอริยสัจสีนะ่ะจึงหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงได้กองพระพุทธเจ้าไม่มีทางละพระพุทธดำรัสไม่มีความวิปริตและจะกระชับตัวเองอยู่ตลอดเราจับของพระองค์ท่านไว้ให้ดีก็แล้วกันอย่าให้หลุดไปจากประโยคนะหลุดประโย ค, โ ย, คยุ่งเหมือนกันนะครับ ถ, ถ้าหลุดไปแล้วมันจะมีไม่มีผลในทางปฏิบัติพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าให้สังเกตอย่างหนึ่งโอ้พระเจ้าทรงสแสดงธรรมมีเหตุที่จองตามพิจารณาตามปฏิบัติตามแล้วจะสัมผัสผลได้ผลนั้นไม่ค่อยแสดงนะครับผลไม่ไม่ค่อยแสดงไปแต่ว่าไปยืนยันที่เหตุไว้ถ้าเหตุอย่างนี้ผลจะเป็นอย่างนี้เพราะงั้นทุกขั้นตอนทั้งเ็ขั้นเนี่ยถ้าเหตุอย่างนี้ผลจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดบกพร่องที่เหตุไม่เกี่ยวนะ ถ้าเกิดบกพร่องส่วนเหตุในช่วงใดช่วงหนึ่งแล้วจะไม่รับประกันผลเหมือนกันผลมันก็ต้องลดหลั่นลงมาแต่ผลสมบูรณ์ตัวเหตุจะต้องสมบูรณ์พอมาถึงชั้นที่ให้ทานป ร, ราลบธรรมนั้น เ, เราต้องมองในชั้นพัฒนาการทางจิตนะฮะที่จริงตัวทานจริงๆนั้นก็คงจะไม่ถึงพรหมโลกเราเพราะว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่าทานเนี่ยมันจะเดินของเขาพอมาถึงทานหนึ่งเนี่ยมันเป็นอภัยทานเห็นไหมฮะ พอเราให้ทานข้าวในเราจะมีเมตตาแล้วมันเป็นอภัยทานพอเป็นอภัยทานจิตมันกข้าวอะไรข้าวเมตตาเมตตามันก็เป็นเมตตาเจตุวมิมุตมันเจริญเมตตาขาจัดพยาบาทขาจัดความโกรธความเกลียดออกไปจากใจมันข้าวเป็นชาติเดินไปเองเป็นธรรมะที่เดินไปอย่างที่เนี้ยอย่างว่าศีลข้อปานาธิบาตเนี่ยงดเว้นจากการฆ่าสัตว์นะเริ่มงดเว้นจากการฆ่าสัตว์แล้วเสร็จแล้วก็เดินงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ วางจัตราวุธที่เป็นเครื่องฆ่าศัตร์ไม่มีแล้วทางมือทางอบัยวะต่างๆไม่มีแล้วมีความส้ำรวมระวังในศัตร์ทั้งหลายเวลาเกี่ยวข้องอะไรแม้แต่กระทบกระทั่งสร้างความเดือดร้อนเขาก็ไม่ได้จิตเปลี่ยนแล้วมีความเมตตามีความเอ็นดูมีความสงสารศัตว์ทั้งหลายเดินเป็นความเอ็นดูเป็นความเมตตาเป็นความกรุณาเดินไปเองอันเดินไปฮะเป็นเป็นเรื่องของอะไรนะอาตมาอุ ป, ปมาเหมือนกับเหมือนกับแม่เหล็กฮะ แม่เหล็กเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันจะดูดเฉพาะพวกของมันพวกเหล็กจะดูดแม่เหล็กเพราะนั้นกุศลธรรมก็เหมือนกันถึงแม้ว่าจะเริ่มจะจุดหนึ่งก็จะดูดกุศลธรรมเราอื่นเข้ามาเป็นพวกเข้ามาหล่นกันตามสูตร ท, ที่ทรงแสดงไว้เสมอนั่นเองว่ากุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลให้เกิดขึ้นแล้วกุศลธรรมเราอื่นที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มปูดมากยิ่งขึ้นเหมือนกับอะไรเหมือนกับสีเลนะนิบูติงยันติ บุคคลจะบรรลุบรรณิพานได้เพราะสีแท้จริงไอ้เพียงสีนั้นไม่ถึงนิพานแล้วแต่ว่าเมื่อสีนําจะเกิดสมาธิพอเกิดสมาธิก็เกิดปัญญาสีจึงเป็นภาคพื้นเป็นบันไดที่จะทําบุคคลก้าวไปสู่สมาธิและปัญญาเพราะงั้นเราจะพูดว่าศีเป็นเหตุนําไปสู่สุคติก็ได้นะเป็นความถูกต้องในชั้นหนึ่งระดับหนึ่งแต่แท้จริงแล้วเป็นการเพิ่มพูนแห่งกุศลธรรมทั้งหลายพราะการเปิดในพรหมโลกในชั้นที่7็ที่ทรงแสดงไว้ก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะว่า เป็นความเปลี่ยนแปลงทางจิตนะฮะมันเข้าไปพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะขึ้นไปมันก็จัดกิเลสได้สองสายนะฮะสายคือโลภะกับโทสะไอไอาการให้เนี่ยมันก็คล้ายๆขจัดโลภะแต่แท้จริงท่านท่านจะสังเกตว่ามันขจัดโทสะด้วยเพราะถ้าคนนั้นเราไม่ชอบเราไม่ให้คนนั้นเราไม่ชอบเราไม่ให้หรอกนะเราต้องมีความนับถือมีความเมตตามีความรักเราจรึงให้ การให้ <g arden> จึงไม่ได้จะขจัดกิเลสเฉพาะโลภะแต่นั้นแต่ขจัดสายโทสะด้วยเพราะมัจฉริยะคือความตนี่นั้นเป็นเรื่องน่าสังเกตเป็นกิเลสกลุ่มโทสะไม่ใช่กลุ่มโลภะความตนี่เป็นกลุ่มเ ป, เป็นกลุ่มโทสะเพราะที่เราหวงเราไม่ยอมให้นั้นเพราะเนื่องจากเราไม่ชอบเขาเราไม่ชอบเราไม่ยินดีเราไม่พอใจเขาเราไม่ให้ถ้าเราชอบเรายินดีเราก็ให้เขาแล้วในขณะเดียวกันก็ขจัดโมหะด้วยสมัครวันนี้ก็ ข อ, อุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปปูนในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันสวัส ด, ดี